ก็ทำเหมือนกันการทำความดีก็คือการปล่อยนกปล่อยปลานะจะเรียกว่าเป็นการร ล, ลึกถึงบุญคุณของสิ่งแวดล้อมก็ได้นะศาสต์นี้ก็เป็นตัวแทนของอสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราไม่ไม่ลืมไม่เลือนะราะพะนั้นจะได้ว่าสงกรานต์นี่เป็นช่วงของการทำความดีหลายเรื่องหลายราวเรียกว่าทำความดีรอบตัวกับคนที่เราเกี่ยวข้องผูกพัน